ปัญหาข้อที่ 17. อธิบายและตอบปัญหาเรื่องการย้ายวัตถุในลักษณะาหายวับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยฉับพลันทั้งโดยจากอำนาจจิตของมนุษย์และอำนาจ จ, จิตของเทวดาและในเรื่องนี้ท่านอ้างยิงความคิดเห็นของสมเด็จโตที่ระบุไว้ว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรปัญหาข้อที่17ลูกประคำหลุดมาอยู่ในมือ ในบทที่สมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องปลายประหลาดเกิดขึ้นคือดิฉันกำลังหยิบสายสร้อยลูกประคำใหญ่ขึ้นมาเส้นหนึ่งความจริงเป็นสายสร้อยที่มีราคาถูกๆมีความยาวพอที่จะสวมศรีรษะได้อย่างสบายในขณะที่ดิฉันส่งคืนมันไปให้เจ้าของนั้นก็ปรากฏว่าลูกประคำลูกหนึ่งยังหลงเหลืออยู่ในมือดิฉันดิฉันคิดว่า ได้ทำลูกประคำหลุดออกมาจากสายสซ้อยซิแล้วแต่เมื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็ปรากฏว่าลูกประคำลูกนั้นไม่มีรอยบุบสลายและไม่มีรอยแตกแยกเลยยังคงเป็นเหมือนลูกอื่นๆนั่นเองสำหรับในปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านแล้วแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบว่าลูกประคำหลุดออกมาจากสายได้อย่างไรแต่ท่านก็สันนิษฐานว่าถ้าหากไม่ใช่เป็นการเล่นกล ก็ต้องแสดงว่าเอสเทลโลเบิร์ตมีอำนาจจิตสูงมากถึงขนาดที่จะทำให้วัตถุมีการสลายตัวและกลับรวมตัวขึ้นใหม่ตามความตั้งใจได้อย่างรวดเร็วมากแต่จากข้อความที่เธอบันทึกไว้นั้นก็แสดงให้เห็นว่าลูกประคำหลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไรซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอไม่มีอานาจ จ, จิตมากมายถึงขนาดนั้นเลย ที่ว่าเป็นการเล่นกล น, นั้นหมายความว่าไม่ใช่ตัวเอสเทลโลเบิร์สเป็นผู้เล่นหากแต่เป็นการเล่นกลหรือการแสดงปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจจิตของท่านเมฆแดงโดยผ่านมาทางเอสเทลโลเบิร์สแต่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแน่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบเพราะในระหว่างที่เขียนเรื่องตอนนี้ท่านเมฆแดงไม่ได้มาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันยังไม่รู้แน่ แต่สำหรับข้าพเจ้าอยากจะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าจะเป็นไปได้บ้างหรือไม่ที่เรื่องราวบางอย่างตามที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้นั้นไม่เป็นความจริงซึ่งความผิดพลาดอันนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะการเขียนเลยเถิดหรือไม่ก็เป็นการเขียนต่อเติมในแบบเดียวกับการเขียนนวนิยายซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อให้หนังสือมีรสเข้มข้นหรือน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดี เรื่องในทํานองนี้ข้าพเจ้าเองก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นจึงเคยมีผู้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าลุงพ่อปู่เดือนหนซึ่งเป็นโอปปาติกะองค์หนึ่งเคยมาเข้าทรงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่ออะไรข้าพเจ้าก็ลืมไปเสียแล้วผู้ที่มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนั้นบอกว่าเขาได้เห็นมาด้วยตาของตนเองทีเดียวว่าท่านสามารถเสกประกุดให้เข้าไปอยู่ในสายส้อยได้ซึ่งได้ทําการพิสูจน์แล้วว่า ไม่มีการเล่นกลหรือหลอกลวงแต่ประการใดหลวงปู่เดินหนข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักท่านแต่เรื่องทำนองนี้ข้าพเจ้าก็เคยเรียนถามหลวงพ่อสมเด็จว่าหลวงพ่อเคยทำได้บ้างหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าเมื่อสมัยยังเป็นคนอยู่ท่านทำไม่ได้แต่เมื่อตอนมาเป็นโอปปปาติกะแล้วสำนักเข้าทรงในที่อื่นบางแห่งที่เขาอ้างว่าหลวงพ่อไปเข้าทรงนั้นเขาทาได้ การที่หลวงพ่อตอบเช่นนี้ขพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการตอบที่ฉลาดมากและทำให้ขพเจ้ารู้ได้ทันทีว่าท่านหมายความอย่างไรเพราะที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณไม่เคยปรากฏว่าหลวงพ่อได้แสดงปฏิหารทํานองนี้เลย